Book 2 9เก้าสหาฟฟ์คันสันธานสองฟ g กบูเออรเธอไม่ทางานตั้งแต่เมื่อไรฟันวนเอร์อฟเวิร์กไซนีเมียร์นี ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ Fun of h a a r trouw? ใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน ja, อม Zij werkt n i e meer, van dat zij getrouwd is <S y> n i e ตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย Van dat zij getrouwd is, werk zij n i e meer n i e ตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุขตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยเธอโทรศัพท์มาตอนไหน ขณะขับรถหรือ ใ, รใช่ขณะที่เธอขับรถเธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถเธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า ใกทวิสเวลใส่สไตร e เธอฟังเพลงขณะที ik, ่เธอทำงานใลตนสตเวลใสฮสตุนดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่นอกานน asakni a brildrani ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไปดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวดนดดนัดเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก เราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่เราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่ถ้าอีกเดียวเขายังไมมาเราจะเริ่มทานข้าวถ้าอีกเดียวเขายังไมมาเราจะเริ่มทานข้าว